การลดน้ำมันก็เป็นการแสดงความเคารพเรียกบูชาให้ความเคารพแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าบูชาที่ถูกต้องต้องปฏิบัติบูชาทำความดีทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราไปทำผิดเรื่องไปอาบน้ำให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาโตแล้วเขาอาบน้ำกนได้ อาบน้ำได้เองไม่ต้องไปอาบให้เขาหรอก mm. ถ้าอยากจะบูชาให้ทำความดี mm. เอาเข้าวของไปให้เขาได้อยู่ mm. เอาทำความดีให้กับบุคคลที่เราเขารบบูชาเช mm. ่นพ่อก็พาไปกินข้าว mm. พาไปวัด mm. พ่ออยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรก็พาไป mm. เรียกว่าปฏิบัติ บ, บูชา มันเทน้ําใส่มือไปไม่ได้อะไระถามยิงมันได้อะไระก็ได้เปียกเนี่ยเปียกมาเอาน้ําเปียกอันนั้นเองแล้วก็เอาน้ําเททิ้งทั้วก็จบมันไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์ก็คือเราอยากจะบูชาบุคคล น, นั้นเขาต้องการอะไรเขาขาดแคลนอะไรเรือ ทำอะไรให้เขาเกิดความสุขออก็ทำให้เขาไปเนี่าปฏิบัติบูชาแต่สำหรับพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้ทาให้ใครทำอะไรให้กับท่านเพราะท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราเออท่านจึงจบอกว่าให้เราทำความสุขให้กับตัวเราเถิดไม่ต้องมาทำความสุขให้กับพระพุทธเจ้าด้วยการไปสรงน้ำพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าท่านมีความสุขมากกว่าเราแสนล้านเท่าพวกเราควรจะไปทาความสุขให้กับตัวเราให้เกิดขึ้นตามที่ท่านสอนสอนให้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะได้รับความสุขแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าได้นิพพานได้นิบบานังปรมังสุขขังได้ความบรมมาสุขของพระนิพพาน เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาพระเจ้าต้องการให้เราบูชาแบบนี้เพื่อเราจะได้มีความสุขมากๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเรากับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับขอทานกับมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีแล้วเราเป็นขอทานไปนั่งขอทานได้เงินมาหน่อยก็อยากจะมาให้เศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วก็ สมเพศรีบไปหาเงินดีกว่าหาเงินแบบไม่ต้องขอดีกว่าพระพุทธเจ้ามีวิธีทำให้เราไม่ต้องเป็นขอทานกันทำให้เราเป็นมหาเศรษฐีกันด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาทางสายปฏิบัติท่านยิงไม่มีธรรมเนียมประเพณีรดน้ำดำหัวอะไรกัน ถ้ามีก็ไม่ใช่สายปฏิบัติอ่หนั่นแหละก็ให้ก็ให้ไปก็แสดงไหวยังยังเป็นขอทานด้วยกันยังไม่ได้เป็นเศรษฐีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าติดอยู่กับธรรมเนียมถูกเขาบังคับให้ทำก็เลยปฏิเสธไม่ได้ ครูบาอาจารย์บางแห่งบางที่ท่านอาจจะมีความจำเป็นจะต้องอ่อนตออ่อนตามประเพณีก็ท่านก็อาจจะให้ทาแต่ครูบาจารย์ที่ไม่ต้องมีประเพณีมาคอยบังคับท่านก็ไม่ทำเพราะว่าป่ามันตาดถ้าไม่มีพิธีสองน้ำอะไร่องตาม <c oughs> มีแต่ปฏิบัติอย่างเดียว ภาวนาอย่างเดียวนักษาศีลภาวนาไปจะริญนสติควบคุมใจให้สงบสงบแล้วจะมีความสุขอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำกันให้มากๆอย่าไปเสียเวลากับการกระทำอย่างอื่นที่ไม่เกิดความสุขเลยหลงทางเข้าใจนะมที่ท่านไม่ให้ทำเพราะมันหลงทาง มันไม่ใช่ทางสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่ไิธีทตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำดีกว่าเรื่องงดน้ำนี่มันเป็นประเพณีของพราหมณ์มากกว่าไม่ใช่ของพุทธพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนกวดน้ำนี่ก็ไม่ใช่ของพุทธพราหมณ์พระพุทธศาสนาไม่มีพวกวิธีกรรมเหล่านี้ วิธีสร้างบุญสิบประการมีในพุทธศาสนาวิธีทําบุญก็มีอยู่สิบวิธีด้วยกันแต่ไม่มีรดน้ำดําหัวไม่มีสงน้ำพระพุทธรูปมีแต่รับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวเองให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็ เป็นการทำบุญไม่ต้องใช้น้ําหรอกไม่ต้องไปสแสดงวิธีอ่อนน้ําถ่อมตนด้วยการเอาน้ําไปอไปสงฆ์ไปอะไรเจอกันก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็กราบไหว้ท่านให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังอย่าไปด่าผู้ใหญ่อย่าไปว่าผู้ใหญ่อย่าไปสอนผู้ใหญ่เอ แสดงว่าไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเกิดก่อนเราเขารู้มากกว่าเราถ้าเขาคิดว่าเรารู้มากกว่าเขาเขาอยากจะรู้จากเราเขาเขาบอกเองหละเขาขอเองช่วยสอนเ้าหน่อยช่วยบอกเขาหน่อยถ้าเขาไม่ได้ขอร้องไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปบอก ชอบไปเนะี่ยทำอย่างงั้นสิทํานี้สิยังก็รู้รู้ดีนถ้าอยากจะทําบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ทำสิบข้อทําทานเยรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดเนี่ยทำแล้วได้บุญแน่แน่ภาวนาก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบ สอนใจให้ฉลาดให้เห็นอริยสัจ ส, สี่ที่มีอยู่ในใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้เห็นตายรักที่อยู่ข้างนอกของข้างนอกนี้เป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทาอย่างเนี้จะได้บุญถ้าอยากจะ ท่งบุญให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วก็ทําบุญแล้วก็กวดน้ําอุทิศบุญไปไม่ต้องใช้น้ํากวดก็ได้ใช้ใช้น้ําใจที่ใครเขาใช้น้ําเพราะคนไม่รู้ว่ า, าน้ําใจเป็นยังไงก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างเวลาอุทิศบุญก็อุทิศน้ําใจที่ใสสะอาดที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากราุณาเต็มเปี่ยมด้วยความสุข ส่งไปให้ผู้ที่เขาล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็ส่งบุญให้กันได้เฉพาะคนตายเท่านั้นเพราะคนเป็นนี่ทําเองจะได้มากกว่าแต่คนตายนี่ทําเองไม่ได้แล้วเวลาตายแล้วไม่ได้เป็นเวลาทําบุญเวลาตายนี่เป็นเวลาไปรับผลบุญผลบาปขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเวลาที่จะ ทำบุญทำบาปได้แต่เวลาตายไปแล้วทำไม่ได้แล้วเป็นเวลาไปรับผลบุญผลบาปถ้าไม่มีบุญติดตัวไปญาติพี่น้องก็ส่งบุญไปให้ได้บ้างแต่ไม่มากพอเยียวยาให้มีความสุขบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยเหมือนส่งเหมือนเงินให้ขอทานอย่างนีน้เรียกว่าอุทิศบุญอนิโมธนาบุญก็ เวลาใครทําบุญเราก็ร่วมวมโมทนาไปกับเขายินดีไปกับเขาดีใจไปกับเขาถึงแม้เขาจะเอาเงินเราไปทําบุญก็ยินดีไปกับเขาเจ้นสามีภรรยาภรรยาเอาเงินไปทําบุญสามีก็พอมาลูทีหลังก็เอา้าทาและะ้วป่ะยินดีไปก็มีความสุขด้วยถ้าไม่ยินดีเสียใจเสียดายก็จะทุกข์ น่าจะโกรธก็ได้อันนี้ที่เข า, าให้มีอนุโมทนาในบรรการนี้ไม่ใช่ว่าโอจะไปทําบุญบอกชาวบ้านเขาแล้วให้เขาอนุโมทนาไม่ใช่อันนี้บอกกับเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเอาเงินเขาไปทําบุญพี่ะรือว่าเอาเงินพี่ไปทําบุญนะอถ้าพี่อยากจะมนมีบุญมีความสุขพี่ก็ต้องอนุโมทนานะ ถ้าพี่แม่นุมมตนาพี่ก็จะทุกข์เพรา ะ, ะ, ะเป็นเงินของสองคนะจะจะใช้บางทีก็ต้องบอกกันก่อนในบางอย่างบางเรื่องใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะใช้โดยพะละการได้เพราะก็ต้องมีความเห็นมีความยินยอมทั้งสองฝ่ายถึงจะมีความสุข น, นี่คือมนคืออนุโมทนาบุญให้อนุโมทนาแบบนี้ไม่ใช่ไปทำวุฒไปทำบุญที่วัดกลับมาแล้วก็ไปบอกชาวบ้านเขาแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาอนุโมทนาไม่ต้องไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ น, นอกจากว่าเขาถามอ่ะเขาถามก็บอกก็ได้ว่าวันนี้ไปไหนมาไปทำบุญถ้าคนถามถ้า อยากจะมีความสุขกับการทาบุญของผู้อ่นก็สาธุไปยินดีไปถ้าเป็นคนไม่เชื่อบุญก็อาจจะไม่ไม่อยากจะอนุโมทนาบางคนอาจจะเสียดายเงินว่าไปทำแล้วไมทำแล้วไม่ได้อะไรตายแล้วศูนย์เนีเขาก็ไม่อนุโมทนาคนที่มีความเห็นว่าบุญไม่มีเขาก็จะไม่อนุโมทนา พอแม่อนุโมทนาเขาก็ไม่ได้บุญไม่ได้ความสุขบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในการทําบุญของผู้อื่นแล้วก็บุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเขาไป ไม่มีเงินก็มีกำลังกายก็ช่วยทางกำลังกายก็ได้ช่วยเขาทำความสะอาดห้องน้าห้องท่าซักเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านทำอะไรก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ยังทำบุญได้บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็อ่อนน้อมถอมตนก็้บผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เขา มีอายุสูงกว่าเราแก่กว่าเราก็ควรที่จะให้ความเคารพกันการให้ความเคารพนี้มันก็ทำให้เรามีความสุดแล้วก็บุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิจะเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายไปแล้ว ต้องไปรับผลบุญผลบาปผู้รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาบุญทำบาปเป็นเพียงแต่ผู้เป็นเครื่องมือของผู้กระทอผู้กระทาคือใครก็คือใจใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญไปทำบาปแต่ร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทาเป็น ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับรถยนต์คนขับรถยนต์เนี่ยเป็นคนกระทาผิดกฎหมายขับรถแล้วไปชนคนตายอย่างเงี้ยเวลาเขาจับเขาไม่จับรถไปลงโทษนะเขาไม่เอารถไปติดคุกติดตารางเขาาคนขับไปติดคุกติดตารางร่งางกายก็เหมือนรถยนต์ร่างกายมันไม่รู้อีโน่อีเน่มันไม่รู้ว่ามันทำอะไร ผู้ที่รู้ผู้ที่สั่งคือใจเนี่ยผู้นี้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปทําบุญก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทําบาปก็จะเกิดความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาแล้วตายไปก็ยังไปรับผลบุญผลบาปต่อถ้าเป็นเป็นบุญก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทวดา ชาเป็นบาป ก, ก็ใบเป็นไปอบายไปเป็นเปรนเป็นสุรกายไปนรกเป็นเดรัจฉานนี่แหละคือการมีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้าไม่มีก็มีวิธีทําให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องได้ถ้ายังไม่รู้ว่าบุญมีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่านารกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่า การมียนว่าตายเกิดมีจริงหรือเปล่าก็ไปเรียนรู้จากผู้ที่รู้ก็ไปฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้เราได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำแล้วก็จะมีแต่ความสุขสิ่งที่ไม่ สิ่งที่ทำให้เราทุกข์เราก็ไม่ทำบาปทำแล้วมันทำให้เราทุกข์ใจร้อนใจวุ่นวายใจเราก็อยากไปทำมันพอไม่ทำมันก็สบายใจส่วนบุญทาแล้วเราก็มีความสุขใจอิ่มใจแล้วบุญข้อสุดท้ายก็บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรารู้ธรรมะแล้ว มีใครเขาอยากจะรู้ก็สอนเข า, เอาบอกเขาได้ถ้าเขาถามว่าบุญมีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่าเราก็จะได้บอกมีมีจริงสวรรค์มีจริงหรือเปลานารกมีจริงหรือเปลามีใครไปรับผลบุญผลบาปใครเป็นคนทำบุญทำบาปก็ใจนี่แหละจิตใจเป็นผู้กระทำใจของเราคือผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ในวันนี้ใจสั่งให้มาวัดใช่ไหมต้องคิดก่อนหรือเปล่าว่าจะมาวัดวันนี้ถ้าไม่คิดจะมาวัดมาได้ารอเปล่าไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดมาวัดป่านนี้ก็ไปไหนเราก็ไม่รู้แล้วแต่จะคิดไปไหนมันก็จะไปตามความคิดเนี่ยผู้คิดผู้สั่งคือใจผู้รับผลการกระทำก็คือผู้คิดผู้สั่งเนี่ย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนกล้องกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือรับเสียงเราจะคุยกับเครื่องหนึ่งเราก็ต้องพูดเข้าไปในเครื่องนี้แล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปหาอีกเครื่องหนึ่งแต่ผู้ที่พูดนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวโทรศัพท์พูดแต่คนใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นคนพูด พูดดีคนรับฟังเขาก็มีความสุขพูดไม่ดีคนฟังเขาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องที่รับกับที่ส่งมันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ใช่มมันเป็นเพียงเครื่องมือจันดายร่างกายของเราก็มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเราทำบุญร่างกายมันไม่ได้สุขไปกับการทำบุญใจสุขเวลาทำบาปร่างกายมันก็ไม่ได้ทุกข์ไปกับการทำบุญ ทำบาปใจเป็นผู้ทุกข์เใจนี่แหละที่เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วร่างกายนี้เป็นอย่างไรไอ้ร่างกายนี้ต่อไปมันก็ต้องตายมันไม่หายใจเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้นเมื่อไม่หายใจมันตายมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมมันมาจากธาตุสี่คือมาจากดินน้ำลมไฟ มันก็จะแยกไปถ้าร่างกายตายแต่แเราปล่อยมันเฉยๆเดี๋ยวมันจะแยกของมันเองเราไม่ต้องไปฝังไม่ต้องไปเผาแล้วปล่อยมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแยกน้ำที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาลมมันก็จะระเหยออกมาเป็นกลิ่นนะความร้อนในร่างกายก็จางหายไปเหรือว่าแต่ ส่วนที่เป็นของแข็งเช่นหนังเนื้อเอนกระดูกต่อไปก็จะแห้งกรอบแล้วต่อไปก็ผุพังกลายเป็นดินไปอันนี่คือร่างกายร่างกายมันไม่ได้เป็นผู้ทำบุญทำบาปไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปผู้ที่รับผลบุญผลบาปผู้ที่ทาบุญทาบาปก็คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตาย ใจนี้อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอยู่กับผลบุญผลบาทเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาตายไปอยากจะรู้ว่าใจไปที่ไหนก็ดูตอนที่เรานอนหลับสิเวลานอนหลับเราก็เหมือนกับตายชั่วคราวใช่ไหมตอนนี้นอนหลับเราใช้ร่างกายหรือเปล่าร่างกายก็นอนเหมือนคนตายใช่ไมไม่ได้ทำอะไร แต่ใจยังทําอะไรอยู่หรือเปล่าใจยังฝันไปหรือเปล่านั่นแหละเวลาเราตายไปเวลาไม่มีร่างกายเราก็จะเหมือนตอนที่เรานอนหลับนี่เราฝันมันก็มีฝันสองแบบใช่ไหมฝันดีก็มีฝันร้ายก็มีทําไมเราต้องฝันดีทําไมเราต้องฝันร้ายอะไรทําให้เราฝันดีอะไรทําให้เราฝันร้าย พระพุทธเจ้าบอกที่เราฝันดีเพราะเราทำบุญทำบุญแล้วจะทำให้เราฝันดีถ้าทำบาปเราก็จะฝันร้ายนี่แหละคือสภาพของฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นอบายเวลาเราตายนี่มันจะฝันยาวฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่ พอเตื่นขึ้นมาก็เหมือนไปเปลี่ยนร่างร่างกายอันนี้เก่าละไปโรงพยาบาลให้ให้หมอเปลี่ยนร่างให้หน่อยสมัยนี้ยังเปลี่ยนทั้งร่างไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะบางส่วนเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนปอดแต่ให้เปลี่ยนทั้งร่างยังหมอสมัยนี้ยังทำไม่ได้แต่ธรรมชาตินี้เขาทำให้เราโดยอัตโนมัติพอร่างกายนี้ใช้ไม่ได้ปั๊บ เท่าก็จะไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ให้เราให้เราหยุดหายใจเหมือนให้เราเหมือนกับาวางยาสลบเนี่ยเวลาตายก็เหมือนกับตอนที่ถูกวางยาสลบแล้ตอนนั้นธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมก็จะเปลี่ยนร่างกายให้เราในช่วงที่รอร่างกายตอนช่วงที่รอเปลี่ยนร่างกายช่วงนั้นก็เราก็จะหลับเราก็จะฝันไป ฝันดีก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆฝันบะฝันไม่ดีก็เป็นอบายชั้นต่าง ๆ, ๆแล้วพอได้ร่างกายพอทอดออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอจากท้องแม่มาลืมตายก็ร้องต้องหายใจเองต้องอะไรเองก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆรู้เปี่ย หลวหนูเนี่ยเมือม่อเมื่อก่อนนี้หนูมีร่างกายที่เก่าแล้วที่แก่แล้วนีหนังเหี่ยวย่นอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีนีร่างกายบอกใช้ไม่ได้แล้วอยู่ต่อไปไม่ได้ร่างกายมันก็เลยหยุดหายใจพอหยุดหายใจหนูก็ออกจากร่างร่างกายกันเก่าแล้วก็ไปหาท้องแม่คนใหม่พอเจอท้อง เพราเจะแม่คนใหม่ตั้งท้องอยู่ก็ไปจับจองร่างกายอันใหม่ช่วงที่หานั้นก็เป็นช่วงที่เราฝันนอนหลับฝันไปถ้าทำบุญก็จะฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขถ้าทำบาปก็จะฝันแต่เรื่องไม่ดีเรื่องที่หวาดเสียวน่าเกลียดน่ากลัวมีแต่ภัยอันตรายเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆ แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอตื่นแล้วก็มาเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายนี้เจริญเติบโ ต, ตเพื่อจะได้ไปทําบุญทําบาป ก, กันต่อทําไมเรายังต้องมาเกิดกันก็เพราะว่าใจของเรายังมีความอยากอยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังอยากดูอยากฟัง ความอยากนี้พ่อแม่ต้องสอนพวกเราป่ะหนูอยากไปเที่ยวนี้ต้องสอนไนะ่หนูทำไมไม่ไปเที่ยวมีแต่ขอแม่ไปเที่ยวใช่ไหมอยากไปนู่นอยากจะมานี่อยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่ของพวกนี้ไม่ต้องสอนมันติดมากับใจความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่พาให้ใจต้องไปหาร่างกายอันใหม่กัน ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกาย tag. ก็ไม่ต้องมาเกิดกันถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายอย่างที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ที่เราทุกข์กันก็เพราะเร า, ร า, ามีร่างกายมีร่างกายก็ต้องคอยหายใจให้มันละหยุดหายใจไม่ได้แล้วก็ต้องคอยหาน้ำมาเติมเดี๋ยวมันก็บอกหิวน้ำ เดี๋ยวมันก็บอกหิวหิวอาหารก็ต้องคอยหาของเหล่านี้มาเติมถ้ายังเติมไม่ได้ก็ทรมานหิวน้ำนานๆก็ยิ่งทรมานหิวข้าวนานๆก็ยิ่งทรมานเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการคอยเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกาย ไฟทางธรรมชาติไฟที่เกิดไฟไหม้ไฟที่เกิดจากน้ำท่วมไฟที่เกิดจากพายุนอกจากนั้นยังมีไฟจากสิ่งอื่นๆอีกเช่จนจากสิงสาราสัตว์งูเอยอะไรเอ่ยถูกมันกัดก็ตายได้ นอกจากนั้นยังมีภัยจากคนด้วยกันคนที่ไม่ดีคนที่จะคิดทำร้ายเราอีกมีภัยนานาประการนานาชนิดที่มาขอคอยก่อกวนใจของเราให้ทุกข์ให้วุ่นวายใจอยู่ถ้ามีร่างกายนอกจากนั้นยังมีภัยในตัวของมันอีกร่างกายมันก็มีภัย ัยของร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันอยู่ที่ไหนก็ตายอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็ตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นเาฉนั้นคนที่เห็นว่าการเกิดไม่ดีเขาก็จะหยุดการเกิดคนที่เห็นว่าการเกิดไม่ดีคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นความแก่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแลว้วบอกไม่เอาดีกว่า ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เลยไปค้นคว้าดูก็พบว่าที่มาเกิดก็เพราะมีความอยากมีร่างกายอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนคนที่อยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือพออยากจะใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไอยากจะติดต่อกับคนนั้นคนนี้อยากจะเล่นโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ก็ต้องมีมือถือมาเล่น ถ้าไม่อยากติดต่อกับใครไม่อยากจะเล่นโปรแกรมอะไรมันก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมือถือมาไม่ต้องมาคอยคอยดูแลรักษาไม่ต้องคอยมาชาร์จแบตคอยทำอะไรต่างๆกับมือถือแล้วเวลามือถือเสียก็ต้องมาปวดหัวกับมันพอใช้ไม่ได้ก็ปวดหัวอันนี้สังเกตคนบางคนเห็นมีพกสองเครื่องมากระเป๋านี่ซ้ายขวา เผื่อไว้เดี๋ยวเครื่องไหนเสียจะได้มีเครื่องสำรองกันเห็นไมเนี่ยความอยากพอมันอยากแล้วมันถ้าเรามีร่างกายสองร่างได้ก็คิดว่าคงจะมีกันสองร่างเลยนี่มันมีไม่ได้มันมีได้ร่างเดียวเท่านั้นเองถ้ามีได้สองร่างสามร่างรับรองไดม้มีตัวแทนกันวันนี้เอาร่างที่หนึ่งออกไปให้ร่างที่สองพักผ่อนร่างที่สามไม่สบายก็ยังไม่ต้องไปทาอะไร สลับการใช้ได้ก็ดีสามารถเปลี่ยนร่างได้ก็สบายเหมือนเปลี่ยนมือถื อ, อมือถือเครื่องนี้เสียยังมีเครื่องใช้อีกเครื่องหนึง่งเครื่องที่เสียก็เอาส่งไปซ่อมนี่หละคือความอยากมันทำให้เราต้องมีร่างกายเพราะเรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรต่างๆใช่ไหมทางร่างกายอยากจะสัมผัสกับ ความเย็นเข้าห้องแอร์แล้วเย็นสบายอยากสัมผัสกับสิ่งที่นุ่มนุ่มนวลไม่อยากจะสัมผัสกับของแข็งเนี่ยไม้หน้าสีนี้ไม่ไม่อยากจะสัมผัสโดนไม้ขวดเอาเนเจ็บเนี่ยต้องมีร่างกายมันถึงจะสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆได้แล้วก็มีความสุขกับมัน แต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์ต่อไปได้เพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนได้สิ่งที่ดีกับเรามันอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้เช่นของซื้อมาใหม่ๆมันก็ดีใช้มันก็มีความสุขพอมันเริ่มเสียเริ่มรวนแล้วก็ทีนี้ไม่สุขแล้ะปวดหัวแล้ะต้องคอยเอาไปซ่อมเอาไปเปลี่ยน เน่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าเนี่ยการเกิดมาไม่ดีเกิดมาแล้วต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต้องมาทุกข์กับการทัดพากจากกันก็เลยหาวิธีว่าทํายังไงไม่ให้กลับมาเกิดก็ไปคนพบว่าเกิดจากความอยากอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายอยาก ใช้ตาไว้ดูใช้หูไว้ฟังก็ต้องไปหาร่างกายต้องมีร่างกายพอร่างกายอันเก่าตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ออกมาก็เลี้ยงดูร่างกายนี้ให้เจริญเติบโตพอเอาไปใช้งานได้ก็เอาไปเอาไปเที่ยวได้ก็เอาไป เอาไปดูหนังฟังเพลงได้ก็เอาไปโรงหนูเนี่ยไปโรงเรียนใครคิดหนีไปเที่ยวกันนั่งหรอเปล่าก็เบื่อเรียนไปเดินแถวศูนย์การค้าดี่กว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเองถ้ามีเพื่อนมาชวนปั๊บเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยอยากเข้าอะไรอย่ากไปเข้าเรียนใน ว, วันนี้ไปศูนย์การค้าดีกว่าเราเคยทํามาแล้วไม่ใช่เลยเคยหนีโรงเรียนมาแล้ว เพื่อนชวนเพื่อนชวนก็ไปเลยถ้าไปเองก็คงไม่กล้าไปสมัยก่อนมันก็มีที่ไปศูนย์การค้ามีที่เล่นโบว์ลิง่งไปแถวตามโบว์ลิง่งเล่นโบว์ลิ่งกันความอยากมันพาไปมันทำให้ไม่มีความคิดรอบคอบว่าทำแล้วมันดีแล้วไม่ดี ทำแล้วก็เสียหายพอถูกครูจับก็ถูกลงโทษแต่ความอยากมันมันมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องสอนการเลิกความอยากนี่ต้องสอนต้องบังคับมันถึงจะเลิกได้แต่การทำตามความอยากนี่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนไม่ต้องบังคับมันมาเอง เหมือนเดินลงเขาเนี่ยไม่ต้องบังคับมันเดินมันไหลลงไปเองเลยมันไม่เหมือนกับเดินขึ้นเขา เ, เดินขึ้นเขาเนี้ต้องพยายามบังคับมนันถึงจะเดินขึ้นได้ธรรมชาติของพวกเรานี่มันชอบไปตามความอยากกันเวลาจะหยุดความอยากนี่จึงต้องฝืนต้องบังคับถึงจะหยุดได้ ถ้ามีความอ่อนแอไม่มีความอดทนไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความพยายามก็สู้มันไม่ได้เอยพระพุทธเจ้าก็เลยค้นพบวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดก็คือหยุดความอยากต้องพยายามหยุดมันหยุดมันด้วยกำลังด้วยความคิดอย่างเดียวไม่พอจะสู้มันรอกต่อไปนี้จะไม่อยากนี่พูดก็พู้นได้ พอถึงเวลาอยากมาลืมไปหมดเลยเห่นไหมตอนปีใหม่นีตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะว่าปีนี้จะไม่กินเหล้าจะไม่เที่ยวพอไม่กี่วันมีเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าก็ลืมมลหรือเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะกินนี่มือไม้สัน่นลยนะลืมไปว่าได้ตั้งใจว่าจะไม่ไม่ดื่มสุรา เวลามันเกิดความอยากมันสร้างความทรมารให้กับใจมือไม้สัน่นใจสัน่นอยู่ไม่เป็นสุขหดหดน้ําคาญใจวิธีที่จะหยุดความอยากได้จึงต้องมีเครื่องมือมาหยุดมันเหมือนกับเวลายางแตกนี่ถ้าไม่มีเครื่องมือก็เปลี่ยนยางไม่ได้ต้องมีเครื่องมือถึงจะยกล้อให้มันลอยขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องมือขันน็อตให้คลายน็อตออกมาจะได้ ถอดยางเก่าแล้วเอายางใหม่ใส่เข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาใช้การทาบุญทําทานทำไมต้องใช้การทาบุญทําทานหยุดความอยากก็เพราะเวลาเรามีเงินเรามักอยากจะไปเที่ยวกันใช่ไหมถ้าจะหยุดความอยากเที่ยวก็เอาเงินที่ไปทาบุญนี้เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญะเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทำบุญก็ไม่ได้เที่ยว พอไม่ได้เที่ยวความอยากเที่ยวมันก็จะมันก็จะหายไปมันก็จะหยุดไปทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญต่อไปความอยากเที่ยวก็จะไม่มีแล้วอยู่ไม่ได้เที่ยวก็จะไม่รู้สึกหดหยิดเพราะเวลาทำบุญมันทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มอยู่บ้านได้อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกหดหยิดํำคาญใจมันรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาวเว่ยถ้าเรายัง ใช้เงินตามความอยากอยู่เราก็ต้องเอาเงินไปทำบุญแต่ถ้าเราไม่มีเงินใช้ไปตามความอยากก็ไม่ต้องทำบุญมีเงินแต่ต้องเก็บไว้ใช้กับของที่จำเป็นอันนี้ไม่เป็นไรเก็บได้เก็บไว้เผื่อวันหน้าไม่อดข้าวยากมากแพงหรือตกงานไม่มีรายได้ก็ต้องมีเงินเก็บสํารองไว้ถ้าเก็บเงินแบบนี้ไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นนี้ไม่เป็นความอยาก แต่ถ้าอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาเงินไปซื้ออยากจะซื้อลองเท้าใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่อยากจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรนี่อยากไปทำเพราะมันจะส่งเสริมให้มันอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการใช้เงินตามความอยากนี้ก็เท่ากับการซื้อพบซื้อชาตินั่นเองต่อพบต่อชาติให้มันมีไปเรื่อยๆถ้าอยากจะตัดพบตัดชาติก็ต้อง อย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากเอาเงินไปทำบุญทำบุญก็เราจะทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขทำให้ความอยากเที่ยวอยากใช้เงินตามความอยากนี้มันลดลงไปแต่มันไม่หายไปหมดมันจะหายไปหมด น, นี่ต้องไปอีกสองขั้นด้วยกันขั้นต่อไปก็ต้องรักษาศีลเวลาอยากจะทำอะไรก็อย่าอย่าให้มันทำ อยากจะทำบาปก็อย่าปล่อยให้มันทำเพราะทำแล้วมันจะทำให้เกิดเวรกรรมขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วก็หยุดความอยากอยากฆ่าก็อยากฆ่าอยากรักทรัพย์ก็อยากไปรักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีก็อยากไปพอหยุดความอยากฆ่าข้อได้ก็ เพิ่มอีกสามข้ออยากกินข้าวเย็นก็ไม่ต้องกินกินพออยู่กินวันละมือ้อสองมื้อก็เหลือเฟือแล้วสําหรับร่างกายที่กินกันทั้งสามสี่มื้อก็ไม่ได้กินด้วยไม่ได้กินเพื่อร่างกายกินเพื่อทําลายละทํำลายร่างกายใช่มากกว่าทําให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะกินมากเกินไปเหากินมากเกินไปไขมันก็มากขึ้น น้ำตาลก็มากขึ้นความดันก็มากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นการกินตามความอยากนี่มีโทษทั้งทางร่างกายและจิตใจจิตใจก็จะทำให้จิตใจไปอยากเพิ่มมากขึ้นจะทำให้มีภพชาติมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราลดการกินได้กินเท่าที่จำเป็น กินมื้อสองมื้อก็พอไม่แต่ไม่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วทำไมต้องไม่ให้กินหลังเที่ยงวันไปแล้วเพราะเราจะได้มีเวลาหลังจากเที่ยงวันไปสู้กับความอยากได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังกินข้าวเย็ยนอยู่เดี๋ยวเราก็ยังยังจะรอกินข้าวเย็ยนอยู่ก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะไปสู้กับความอยากแตถ้าเรากินมื้อเดียวแล้วกินแค่มื้อเที่ยง พอหลังจากเที่ยงแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องกินนะเราก็จะได้มีเวลาไปสู้กับความอยากหยุดความอยากได้จะหยุดความอยากได้เต็มที่นี่ต้องต้องรักษาศีลแปดต้องต้องงดความอยากอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นงดการกินข้าวเย็นงดการดูหนังฟังเพลงงดการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือหลัง มหาห่อเราศพบันเทิงต่างๆงดการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้ า, าทำผมเสริมสวยความงามอะไรต่างๆมันเป็นความสุขความความสุขประเดี๋ยวประดา้าเอาเวลามาหยุดความอยากเพื่อจะได้ความสุขแท้ดีกว่าถ้าเราหยุดความอยากได้ความสุขแท้จะปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร เพียงแต่หยุดความอยากได้เท้งนั้นความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาดัางนั้นเราเอาเวลามาทุ่มเทให้กับการหยุดความอยากนี่ปะการจะหยุดความอยากก็ต้องหยุดความคิดเพราะความอยากมันจะเกิดจากความคิดก่อนถ้าไม่คิดมันก็อยากไม่ได้ถ้าไม่คิดถึงขนมมันก็ไม่มีความอยากกินขึ้นมาถ้าไม่ได้คิดถึงละครก็มันก็จะไม่ได้อยากดูละคร แต่เราคิดถึงขนมปั๊บน้ำลายเริ่มไหลแล้วนะเพราะเพียงยังไม่ทันได้กินเลยเพียงแต่คิดเท่านั้นน้ำลายเริ่มไหลแล้วความอยากเริ่มมาแะแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ไม่ให้มัคิดถึงเรื่องต่างๆเรื่องที่จะทำให้เกิดความอยากความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้งั้นเราต้องมาฝึกหยุดความคิดกันสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็เรียกว่าสติ สติคืออะไรสติก็คือพอเราคิดปั๊บเราบอกหยุดถ้าเราบอกให้มันหยุดแล้วมันหยุดก็แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราบอกให้มันหยุดมันก็ยังคิดต่อีแสดงว่าเราไม่มีสติเหมือนรถเนี่ยถ้ารถเราอยากให้มันหยุดเราก็เหยียบเบรกถ้าเหยียบแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเบรกไม่มีถ้าเบรกไม่มีก็ต้องทำไงก็ต้องเข้าอู่ใช่ไหม เอารถไปเข้าอู่ไปให้เขาติดเบรกไปซ่อมเบรกให้แสดงว่าเบรกเสียต้องไปติดเบรกใจเราก็เหมือนรถเนี่ยความคิดของเรานี่ก็เหมือนการวิ่งของรถใจคิดพอใจคิดก็เหมือนรถวิ่งถ้าอยากจะหยุดความคิดก็ต้องไปเหยียบเบรกแต่พอเหยียบเบรกบอกให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดก็แสงดงว่าเบรกแตกไม่มีเบรกก็ต้องไป ติดบเบรคเห็นไหมคนที่คนที่สติแตกเน่ยเห็นไหมทำอะไรสติแตกเขาใช่ไหมคนที่มีสติเขาไม่ทำใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีสติเนี่ยทําอทําร้ายข้าวของเงินสิ่งของทําร้ายคนนั้นคนนี้แสดงว่าตอนนั้นสติแตกแไม่มีสติยับยั้งใจอย่าถ้าไม่มีสติก็ต้องมาสร้างสติกัน วิธีสร้างสติก็มี40วิธีที่เรียกว่ากรรมฐาน40คือใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาหยุดความคิดกันที่เราใช้กันบ่อยที่รู้กันก็คือพุทธานุสติอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าลึกตัวลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชื่อพุทธโธเราก็ ไปเราเลิกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธคิดอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราพยายามสร้างพุทโธให้ให้เราอยู่กับพุทโธได้เราจะหยุดความคิดอย่างอื่นได้พอเราหยุดความคิดอย่างอื่นได้ความอยากก็จะไม่เกิดความอยากไม่เกิดใจเราก็จะเบาจะสบายมีความสุขนี่เรียกว่าการหยุดความอยาก ด้วยสติแต่ถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่พอเราเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ความอยากก็ยังจะโผล่ขึ้นมาอยู่คิดถึงขนมก็ยังจะโผล่ขึ้นมาอยู่นี่ถ้าอยากจะไม่คิดถึงขนมอย่างถาวรให้คิดอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้ปัญญาคิดแบบปัญญาคิดแบบปัญญาคิดอย่างไรก็ให้คิดถึงขนมเวลาที่มันอยู่ในปากโดย เวลาที่เรากำลังเคี้ยวขนมอันอริดอร่อยกำลังเคี้ยวผสมกับน้ำลายอยู่เนี่ยก็ลองเอามาถ่ายรูปดูหน้าตามันซะหน่อยแล้วค่อยตัดเข้าไปกินใหม่แล้วต่อไปทุกครั้งเวลาคิดถึงขนมก็คิดถึงหน้าตาของมันตอนที่มันอยู่ในปากเราเนี่ยแล้วมันรต่อไปมันจะไม่อยากกินอาเนี่ยปัญญาต้องมองไปในส่วนที่ไม่น่ากิน ไปดู ต, ตอนที่มันไม่น่ากินอย่าไปดูตอนที่มันน่ากินอย่าไปดูตอนที่มันอยู่ในจานเนี่ยอยู่ในถาดเนี่ยพิซซ่าอยู่ในถาดนี่เห็นแล้วโหยมันน้ำลายไหลเลยต้องดูตอนที่อ้วกออกมาเนี่ยกินเข้าไปอยู่ในทน้องแล้วอ้วกออกมาดูแล้วเราตัดเข้าไปกินใหม่ได้ปะมันก็พิซซ่าเดียวกันมันก็ออกมาจากท้องเรานี่ปแล้วเอากลับเข้าไปในท้องเราไม่ได้ดิยังไงฮะมันมีอะไรมาห้ามอ่ะ มันก็ของเันเดียวกันไม่ใช่เหรอเพราอยู่ในปากก็อยู่ได้เวลาอยู่ในท้องก็อยู่ได้พอออกมาจากปากจากท้องเราจะให้มันกลับเข้าไปในปากในท้องแต่เผ็ดกับความอยากมันอยากมากๆเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปตอนที่อาเจียนออกมาให้มันดูหรือตอนที่ถ่ายออกมาให้ก็ได้จะไปถ่ายตอนที่ออกมาในห้องน้ำก็ได้ถ่ายในโถส้วม <laughs> นี่แหละพิซซ่า ทุกครั้งเวลาอยากจะกินพิซซ่าก็ให้มันคิดถึงเรื่อลูกของพิซซ่าเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ได้รับราหได้ความอยากกินหายไปหมดเลยนี่วินวิธีแก้ฟังดูทางโล ก, กอาจจะคิดว่าสปปรรพตนะแต่มันไม่ใช่มันเป็นความจริงมันเป็นวิธีแก้ความอยากจริงๆถ้าคิดถึงอย่างนี้แล้วมันจะไม่อยากเลยเยังไม่ถึงเวลากินก็อย่าไป ถ้ามันคิดอยากจะกินก็ให้มันคิดถึงไอ้ภาพที่ไม่น่าดูของอาหารที่เราอยากจะกินแต่ถึงเวลากินอย่าไปคิดนะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันกินไม่ลงมีแม่ชีคนหนึ่งเนี่ยแกคิดถึงเวลากินกันกก็คิดอีกถึงเวลาที่ต้องกินกลไปคิดมันก็กินไม่ลงจนสู้ผอมไปเลยเพราะทุกครั้งที่กินอะไรก็คิดถึงไอ้อาหารที่มันไม่น่าดูทุกทีนี่เรียกว่าพิจารณามากเกินไป ไอ้ที่เขาให้พิจารณาให้พิจารณาตอนที่อยากกินแต่ไม่ไม่ควรกินเนี่ยตอนนั้นให้พิจารณาแต่ตอนที่ต้องกินเนี่ยอย่าไปพิจารณาไ้พิจารณาแล้วมันกินไม่ลงแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากเนี่ยสติมีกําลังไม่พอถ้ามสีสติมีกําลังพอก็เปลี่ยนมันจะคิดทางนั่นก็ให้มันพุโทโธพุโทโธไปมันก็หยุดได้เย พอถึงเวลาจะกินมันจะไปนึกถึงภาพอาหารที่ไม่น่ากินเราก็ต้องหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปนอกจากมันกินมากเกินไปเอแล้วค่อยคิดถึงอาหารที่ไม่น่ากินนแต่ถ้ามันยังมันถึงเวลาที่จะต้องเติมอาหารก็ต้องเติมให้กับร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นต่อไปร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายได้อันนี้คือวิธีแก้แก้ความอยากนี่เขาเรียกว่าปัญญาะ หรืออยากจะได้อะไรมาก็คิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องตายไปวันนี้เรายังอยากได้อยู่หรือเปล่าถ้าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนยังอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือเปล่าไม่อยากแล้วใช่ไหมน่และให้คิดถึงความตายบ้างคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน หรือสิ่งที่เราได้มาถ้าได้มาแล้วจะต้องเสียไปทันทีเราอยากเราอยากจะได้ไหมเช่นได้แฟนมาปั๊บแต่งงานกันปั๊บแฟนเป็นหัวใจวายอยากจะไปได้แฟนหรือเปล่า ใ, ให้หัดคิดแบบนี้ให้คิดว่าของที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราไปเสมอมันอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได เวลาคบกันก็รักกันดีพอมาแต่งงานกันอยู่กันปับ๊บอเปลี่ยนไปซะแล้วเคยเอาอกเอาใจเรากลายเป็นไม่เอาอกเอาใจเราเสแล้ ว, ลวกลับไปเอาใจเขาแนละ้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็อยู่คนเดียวดีกว่ามั้งเข้า <laughs> ใจไหมเนี่ย <laughs> <c oughs> คิดแบบปัญญาคิดเพื่อหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆ พอเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่มันไม่ได้เป็นสุขเสมอไปนะมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ทุกเวลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ถึงเวลามันจะเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันจะไปมันก็ไปขึ้นมา แต่เราคิดไม่เป็นกันเราคิดว่าเห็นอะไรดีแล้วโอ้ต้องดีไปตลอดต้องอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่คิดแบบนี้มันถึงผิดหวังกันทุกคนพอได้มาแล้วถึงผิดหวังกันต้องมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันในภายหลังเพราะคิดไม่เป็นคิดไม่รอบคอบไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอน เราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปควบคุมให้มันเที่ยงให้มันแน่นอนให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้มันดีเกินดีมันก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปนี่คือให้คิดแบบปัญญาถ้าคิดแบบปัญญาแล้วจะหยุดความอยากทุกชนิดได้หมดอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรไม่เอาดีกว่าเพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันหมดไปถ้าคิดแบบนี้แล้วต่อไป ถึงจะไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่มีความอยากได้เพราะมันเห็นภาพรวมแล้วเห็นภาพเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันทุกข์เนี่ยมันต้องกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องหมดไปนี่คือปัญญาถ้าคิดแบบนี้ได้เราก็จะตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ เมื่อไม่มีความอยากน้องเหลืออยู่ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากนี้เท่านั้นพอไม่มีความอยากใจก็จะสุขไปตลอดเรียกว่าเป็นนิพพานไปนิ บ, บานังปรมังสุขขังไปนี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราไปให้ได้ไปให้ถึงกันนลจะไปถึงได้ก็ต้องปฏิบัติบูบชาไม่ใช่มานั่งลดน้ําดําหัวกัน รถน้ำดำหัวไปอีกร้านชาติก็ไปไม่ถึงอย่าไปทําให้มันเสียเวลาไปภาวนาดีกว่าหรือไปพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาดีกว่าจะได้คุณได้ประโยชน์มากกว่าพระพุทธเจ้าพาะอรหันต์ท่านไม่ยินดีกับการไม่ให้มีคนมารถน้ําดำหัวท่านหรอกท่านไม่ได้ไปมีความมีอัตตาตัวตนมีความคิดอยากจะให้คนนั้นมาเคารพนับถือมาซะ มาแสดงความราาวะค า, าวะอะไรต่างๆถ้าอยากจะคารวะพระพุทธเจ้าคารวะพาาาระอรหันต์ก็คารวะด้วยการไปปฏิบัติบูชาเพราะที่ท่านสละเวลาสละสละอะไรต่างๆเพื่อมาสั่งมาสอนเรานี้ก็เพื่อให้ให้เราได้ปฏิบัติตามคําสอนของท่านท่านไม่ได้สอนให้เรามาลดน้ําดําหัวท่านนันหน่อยเลยใครสอนก็ไม่รู้ใครสอนให้ไปรดน้ําดําหัวครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าพระอริยสงสาวกสอนหรือเปล่าไม่ได้สอนทัานสอนให้ทําบุญสิบประการเนี่ไม่ทํากันเราถึงถึงแม้ว่าจะมีครูบาอาจารย์แต่ก็เป็นสิทธิ์แบบไม่มีครูคือไม่ทําตามคําสอนของครูบาอาจารย์มีแต่กล่าวถึงพุทธัทงสารนังสังคังสารนังกระามิแต่ไม่รู้ว่ากระฉามิเป็นยังไง ไม่ได้ทําตามที่พุทธทางทำมังสังครังสารนังกระฉามมิสอนให้ทําเลยไปทําอะไรที่ก็ไม่รู้ไม่รู้ใครสอนแล้วดีไม่ดีพอท่านบอกว่าไปผิดทางก็กลับเถียงว่าก็ <c oughs> คนอื่นเขาก็ทํากันเนี่ยก็คนอื่นเขาไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เียเขาก็ทำเลยแต่ดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาไม่ทํากันหรอกนะ อันนี้ก็ถ้าอยากจะกวดน้ําดําหัวพระพุทธเจ้ากวดน้ําดําหัวครูบาอาจารย์ก็ไปหยุดความอยากกันเถอะไปกําจัดความอยากด้วยการภาวนานั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็สอนปัญญาสอนใจให้คิดไปในทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ให้บังคับให้เขาเที่ยงให้เขาแน่นอนไม่ได้ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนไปเขาจะต้องหมดไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมีความอยากอะไรก็จะกําจัดมันได้หมดพอหมดความอยากแล้วก็เหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปใจของพระเจ้าใจของพระอรหันต ก็อยู่เหมือยกับใจของพวกเราอยู่ต่างกันตรงที่ใจของเรายังไปหาน่างกายมาแบกมาทุกข์อยู่แต่พระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ไม่ไปหาน่างกายมาแบกไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปเพราะไม่ได้ไปทําบุญทําบาปอีกต่อไปนี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าบอกการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาแล้วจะเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตบูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูช า, ค, ค, า, ชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง อันนี้แหละถ้าอยากจะให้ชีวิตเรามีความเป็นมงคลมงคลก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นั่นเองแปลว่ามงคลถ้าอยากจะให้ชีวิตเรามีความเป็นมงคลก็ต้องปฏิบัติบูชาเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปะริกปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพบุเรนโตสังกาปาจันโทปนังระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสพีติโยวิวัชานโตสัพพารุโควินาศโต มาเตพาวตอันตาายุสุขีทีขาโภาวะอาพิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมวะทานติอายุวนันโอสุขังภาลังวันนี้มีข่าวดีสำหรับชาวบ้านอำเภอ อย่างนี้ที่บ้านอำเภอเอเคเบิลบ้านอำเภอมีการถ่ายทอดสดธรรมะบญเขาช่วง2โมง<อ>ถึง4โมงช่อง8ใช่ไหมช่อง8ใครใช้บริการของเคเบิลของบ้านอำเภอก็สามารถเปิดดูได้ที่บ้านเลยจอใหญ่ด้วยนะอะใครอยู่บ้านอำเภอก็ช่วยบอกอ ก, กันนะใครที่ชอบธรรมะก็2โมงถึง4โมงก็เปิดดูได้ อไม่มีถ่ายทอดไม่มีเวลาอื่นใช่ไหมตอนนี้ตอนต้นนี้มีแค่ช่วงสองถึงสี่ถ่ายทอดสดนะใครที่อยู่บ้านอำเภอถ้าลองเปิดชมดูได้ก็ช่วยส่งข้อความมาหน่อยนะบอกว่าการถ่ายทอดเป็นยังไงศีลานี้อยู่เปล่าไม่รู้ติดตามดูว่าเปล่าใครอยู่ที่บ้าน หรือคนที่อยู่กรุงเทพมีญาติอยู่ที่บ้านอำเภอก็ลองบอกใหเปิดดูแล้วรายงานมาดูว่าถ่ายทอดเป็นยังไงใช้ได้หรือเปล่าภาพกับเสียงเป็นยังไงมีถ่ายทอดทางเคเบิลหลายแห่งนะนาเกลือก็มีจอมเทียนก็มีนาจอมเทียนก็มีใครอยู่แถวนาจอมเทียนแถวนาเกลือถ้ามีใช้บริการของเคเบิลเขาก็จะมีถ่ายทอด ของนาเกลยังยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่รัเลไม่เฉพาะถ่ายทอดสดได้จอมเทีินช่อง 1, 1>, ออง1จอมเียนช่องนาเกช่องหนึ่งเช่อง1จอมเทียนช่องหนึ่งบ้านาเกลช่องแปอช่องแปไม่ใช่โสพลนะเป็นของบางลมุงเคเบิลไปบ้านตาหรือเปล่าไป บ, บ, บ, บ, บ่อยนะอาจารย์สุดใจสบายดีเหรอ ตัวเล็กน้อยแต่ลงได้ทุกวันลงชันได้ทุกวันนะโอเคเปาความคิดถึงไหมครับก็อยู่ด้วยกันนั่งติดกันเวลานั่งฉันก็นั่งติดกันกุฏิก็ใกล้กันบ้านอยู่นองแสงครับอบ้านอยู่น้องแสงนะครับผมิดไปวาป่าปาไปอ่าดีครับก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆนะทาบุญไปปฏิบัติธรรมไปนะครับทุก วันนี้ทางทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กมีทั้งหมด372คนย t u b บ142คนมิตรยุอิออนไลน์25คนผู้ที่มารับฟังบนเขา44คนรวมทั้งหมด583ค น, นครับผม583เดี๋ยวไมค์มาทางนี้หน่อยได้มีญาติโยมก็อยากจ ะ, สะแสดงความคิดเห็นเร็ว ก็ถามสิก <c oughs> ็ไม่แฮมเนยเพีงแตู่ดให้มันให้คนหนึ่งก็ได้ยินคําถามด้วยพูดใจใจๆหนยที่อยู่ครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์ไกลๆหน่อยไหมตีเขาใกลจะแล้วพระอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันท่านต้องต้องเหมือนกับต้องผ่านเวทนาหรือเปล่าจ๊ะคะรือเรียนรู้เวทนามาทางนี้ดีกว่ทางด้านหนังดีกว่า คือมันก็ต้องปล่อยวางร่างกายเนี่ยปล่อยวางปล่อยให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายมันจะปล่อยได้ไม่ได้มันก็ต้องผ่านมันถึงจะรู้สิถ้าไม่เจอมันจะไปรูไ้ไงผ่านหรือไม่ผ่านแต่ปกตินี่โยมเคยได้ยินคือต้องพระอนาค า, ามิใช่หรอคะที่ว่าจะวางเวทนาได้ไม่ไม่พระอนาคาม น, คานุม่นเหล่านะั้น โซดาบานเนี่ยป่อยวางร่างกายร่างกายของตัวเองได้แต่ยังปล่อยวางร่างกายของคนอื่นไม่ได้ยังไปรักร่างกายของคนอื่นยังไปเห็นว่าเขาสวยว่างามอยู่ต้องเห็นว่าเป็นอสุภะถึงจะปล่อยวางร่างกายของคนอื่นได้แต่ร่างกายของตัวเองนี่ต้องปล่อยยังรับได้ยงถ้ายังทุกข์กับร่างกายของตัวเองก็แสดงว่ายังไม่ผ่านร่างกายแก่ก็ทุกข์ร่างกายเจ็บคไายได้ป่วยก็ทุกข์ ร่างกายจะตายก็ทุกข์นี้สแสดงว่าไม่ผ่านก็คือไม่ละสักยะอ่างไปคิดว่าเป็นร่างกายของเราอยู่อย่างคิดว่าเวทนาเป็นของเราอยู่เป็นตัวเราอยู่มันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรร ม, มเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปใจเป็นผู้รู้ก็รู้เฉยๆแต่ใจไปหลงไปคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยไปวุ่นวายกับร่างกายถ้ามีปัญญาก็จะสอนใจว่า จะร่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เปลี่ยนเขาไม่ได้ปล่อยเข้าไปท่านเฉยๆทาใจให้เฉยๆปนุเบคาก็ปล่อยได้นละ้ท่านนี่นี่มันไม่มีอนุเบคากันมันเลยปล่อยไม่ได้ถึงบอกว่าต้องไปฝึกอนุเบคาก่อนต้องไปฝึกสมาธิก่อนถ้าใจสงบมีสมาธิมีปุเบคาแล้วทีนี้พอมา พอมันเจอร่างกายมันแก่ก็จะเฉยได้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยได้มันตายก็เฉยได้ตอนนี้เฉยไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาไม่ฝึกอุเบกขาฝึกสติก่อนปัญญาตอนนี้มีเยอะแล้วแต่เป็นปัญญาแบบจินตามายาปัญญาไม่ใช่ภาวนามายาปัญญาภาวนามายปัญญาต้องจิตที่มีอุเบกขาถึงจะเป็นภาวนามายาปัญญาถึงจะปล่อย ความเจ็บได้ปล่อยความแก่ได้ปล่อยความตายได้ส่วนว่านาคามีรนี้ท่านเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นซากศพเนี่ยถ้าแฟนเราเป็นซากศพเราจะนอนเขาไหมแต่ไม่เห็นว่าเขาเป็นซากศพใช่ไหมก็เลยยังนอนกับเขาได้อยู่คนที่นอนกับแฟนอยู่ก็เ พ, เพราะยังไม่เห็นว่าเขาเป็นซากศพใช่ยังเห็นว่าเขาเป็นคนอยู่แต่พอไม่หายใจปั๊บนี่ เห็นไม่เห็นว่าเขาเป็นคนแล้วสิเห็นว่าเป็นซากศพไปแล้วสิมันก็เป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่ร่างกายก็อันเดียวกันไม่ใช่ต่างกันตอนนี้หายใจหรือไม่หายใจแต่ทำไมอยู่กับเขาได้ตอนนี้เขาหายใจตอนตอนเขาไม่หายใจเขาอยู่กับเขาไม่ได้กลัวไปหมดนั่นแหะต้องพยายามนึกว่าเขาเป็นเหมือนซากศพเดินได้ร่างศพที่ยังหายใจได้ รอเวลามันอยู่ท้ายใจเมื่อไหร่ก็เ ป, เป็นเป็นซากศพเต็มที่เต็มร้อยหรือไม่เช่นั้นก็ต้องไปดูส่วนไม่สวยงามของร่างกายที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังนมีโครงกระดูกมีกระโหลกศีรษะมองไม่เห็นเห็นหน้าที่ไรก็สวยว่าหล่อไม่คิดว่าอยู่ภายใต้ผิวหนังก็มีแต่กระโหลกศีรษะมองไม่เห็นไม่เห็นโครงกระดูก ไม่เห็นลำไส้ไม่เห็นปอดไม่เห็นตับไม่เห็นไตแต่พระอนาคามีจะเห็นตลอดเวลาก็เลยเป็นสุภาพตลอดเวลาพระสกิรดาคามีเห็นห้าสิบห้าสิบบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นก็เป็นสกิรดาธามีถ้าเห็นตลอดก็เป็นเป็นอนาคามีพระโสดานี่ยังไม่เห็นเลยถ้ามีแฟนก็ยังอยู่กับแฟนต่อไป ตัวลา ย, ยมนั่งสมมุวเวลา ย, ยมอย่าครับ ม, มีอะไรนะเหรอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวเด็กไปนั่งที่อื่นดีกว่านะาไปเพราะว่ามันจะทําให้วงแตกมานั่งใกลๆหน่อยเวลา ย, ยมนั่งสมาธิแล้วหลับตาเนี่ยมันมันเห็นมันไม่มีรูปเจ้าค่ะ มันเป็นแค่มวลความรู้สึกฮมันมันไม่มีรูปอค่ะใครไม่มีรูปคือเวลาหลับตาแล้วนั่งสมาธิไงค่ะมันจะไม่เห็นอะไรหลับตามันก็ไม่เห็นเลยไม่หมายถึงว่ามันมันไม่มีรูปของร่างกายมันเป็นแค่มวลความรู้สึกเองอะไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจว่าไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรจะก็หลับตามันจะไปเห็นอะไรแล้วแหว ปัญหามันอยู่ตอนที่หลับตามันปัญหาอยู่ตอนที่ลืมตาตอนที่ลืมตาแล้วเห็นอเห็นดาร า, า, าเห็นอะไรนี้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาตอนนั้นอ่ะต้องให้ต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังของเขาจะได้เห็นลำไส้เห็นปอดเห็นไตเห็นโครงกระดูะกแล้วเวพิจารณาอสภาไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้นั่นตอนนั่งสมาธิเหรอคะมันตอนเยน็นตอนนั้นไม่พอตอนนั่งสมาธิเขาไม่พิจารณาก็นั่งให้จิตสงบ ตอนพิจารณานี e <economies> ่เขาอยู่ออกนอกสมาธิแล้วเขาถึงพิจารณาอยู่ในท่าไหนก็พิจารณาได้เดินจงกรมกินอาหารทําอะไรพิจารณาได้ตลอดเวลาแต่ตอนก็นั่งสมาธิเขาไม่เขาไม่พิจารณาเขาตั้งเขาต้องการสร้างอุเบกขาเขาทําจิตให้สงบเขาถึงเรีนั่งสมาธิเวลาพิจารณาเขาพิจารณาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ เวลาเกิดการมาลงขึ้นมานียต้องพิจารณาดับมันให้ได้ตอนนั่งสมาธิมันไม่มีการมาลงไปพิจารณาอะไรให้ไปดับอะไรไฟมันไม่มีเอาเอาเอ า, เอ า, เอาน้ำไปฉีดอะไร่ะมันต้องรอให้ไฟลุกก่อนที่มันถึงจะเอาน้าไปฉีดดับไฟไฟก็คือการมาลน้ําก็คืออสุภะฉีดเข้าไปเลยเดี๋ยวนะไฟมันก็ดับที่ต้องเตรียมน้ําไว้ก่อนเทศพิจารณา น, นี้คือให้ ทำการบ้านให้เตรียมน้ําไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดเวลาไฟลุกไม่มีน้ําก็ต้องวิ่งไปหาน้าก่อนมันมันก็ไม่ทําทันการมันก็ถูกเผาหมดที่ให้พิจารณาก็ให้เพื่อทําการบ้านให้มองใครทีไรก็หัดมองว่ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเขาเอมองให้เห็นอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังที่ไม่น่าดูเหมือนกับอาหารเนี่ย อย่าไปดูอาหารในใจดูอาหารอยู่ในท้องในปากว่ามันเป็นยังไงพอมันเกิดความอยากขึ้นมาก็จะได้เอาภาพเหล่านี้มาดับมันพอเห็นร่างกายใครสวยใครหล่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากขึ้นมาก็ใช่ต้องดูภาพที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาขึ้นมาดับมันคนไม่เข้าใจคิดว่าวิปัสสนาตอนนั่งหลับตาไม่ใช่ ล, ล่างหลับตามันก็ถ้าวิจพิจารณาก็พิจารณาแบบทำการบ้านเหมือนกันพยังไม่มียังไม่มีปัญหา mm hmm. เวลาเวลามีปัญหา mm hmm. แล้วก็เอาการบ้านที่เราทำนี้มาเป็นทาเป็นคาตอบของข้อสอบไป mm hmm. เวลาจะผ่านไม่ผ่านมันผ่านตอนที่เจอของจริงตอนนั่งสมาธิมันไม่เจออะไร mm hmm. หรือว่ามัน มันเห็นหน ส, สุภาพในสมาธิจนมีความมั่นใจว่าเห็นใครก็ไม่เกิดกามอารมณ์อันนี้ก็ใช้ได้<ม>เห็นหนึ่งนั้นหรือเปล่าพอออกมาแล้วเห็นคนยังมีกามอารมณ์อยู่หรื<ม>อเปล่าเข้าใจยังถ้าไม่มีกามอารมณ์ก็ต้องก็ต้องไม่แน่มันอาจจะซ่อนอยู่ก็ต้องต้องหย่มันออกมามถ้ามันเห็นใครก็ไม่มีกามอารมณ์ก็ลองที่นึกถึงตอนที่เขาไม่ใส่เสื้อผ้าดูที่จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาหร ไม่แน่บางทีกิเลสมันซ่อนมันหลอกว่าโอ้ฉันตอนนี้ไม่มีการอารมณ์แล้วเราก็เลยอาจจะหลงผิดคิดว่ามันตายแล้วต่อมันดีเกินดีเราไม่ได้ตั้งหลักมันเผลอบุกเราทีนี้ก็เสร็จมันนะไอตัวนี้สําคัญท่านบอกจะต้องคอยบางทีมันมันจะมันจะหายเงียบไปเฉยเห็นตอนนี้ไม่มีการอารมณ์ใชเห็นใครก็ไม่มี แต่มั่นใจหรือเปล่ามันมันตายแล้วหรือยังถ้าอยากจะมั่นใจก็ลองปลูกมันขึ้นมาดูหาวิธีปลูกมันดูหนังสือเขาเรียกปลูกเสือป่า <laughs> แล้วดูที่ว่ามันจะเสือมันจะโผล่ขึ้นมาป่ะ <laughs> ถ้าไม่โผล่ก็แสดงว่าใช้ได้ <laughs> ดูยีางา น, นก็เฉยแต่ขนาดแล้วมันต้องพันนาคางใช่ไมหมหรือคะ ก็น่าะเห็นึงเราจะจะพิสูจน์เาอนาคตเสือป่าก็ต้องก็ต้องพิูจน์ไงจะมาบอกจะมาตัดสินใจเองว่าเป็นแล้วไม่ได้แล้วมันต้องพิสูจน์ของพวก น, นี้บางทีแค่ใช้กําลังของสมาธิมันก็สงบได้ใช่หรอหือคปล่าใช่สงบได้แต่มันไม่ตายไงถ้าเดี๋ยวไปเจอหนังสือปลูกเสือผ่าขึ้นมายิ่งในตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเปิดไปพลิกขึ้นมามันโผล่ขนโดยไม่รู้ตัวรู้ได้ว่าเสือมันจะเตื่นขึ้นมาป่า ถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเสือก็ยังไม่มีเสืออยู่ในใจมันก็เฉยแต่ถ้ามีเสือเดี๋ยวมันมันมันมันโผล่ขึ้นมาทันทีโผล่ขึ้นมาก็ต้องรีบฆ่ามันให้ได้ก็ต้องเปลี่ยนภาพจากภาพปลูกเสือ ป, ป่าเป็นภาพฆ่าเสือ ป, ป่าก็าใจยเองไปส่งใหมกลับไป คำถามจาก a ฟ e b o o k ค่ะคำถามจากคุณแพทเพื่อนไปนเรียนพี่สาวเปเรียนขอพลังจิตมาและนำมาถ่ายทอดให้คนในครอบครัวตลอดเวลาไม่ว่าจะคุยเรื่องไหนก็พุชเข้าหาตลอดบางอย่างเรารู้แล้วแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ควรจะทำอย่างไรดีคะก็เฉยิเขาพูดอะไรก็ปล่อยก็พูดไปนะ้วก็ฟังสังพระพุทธเจ้ า, บ, จา บ, บอกได้ยินอะไรก็สังแต่ว่าได้ยินไปนะอ่อ เขาพูดเสร็จมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่ต้องเอามาแบกเขาด่าเราเมื่อเช้านี้เย็นนี้เรายังแบกอยู่นั่นเขาพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วในวันนี้ยังมานั่งคิดอยู่มันทำไมเขาพูดก็ปล่อยว่าพูดไปเราก็เอาสิ่งที่เขาพูดว่ามีสาระมีประโยชน์หรือเปล่ามีเราก็มาใช้ประโยชน์ถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็มาใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็โยนทิ้งไปอย่าเอามาแบกทั้งนหนักอกหนักใจเไปเปล่าๆคาถามจากคุณเจสไป เพื่อนทาสัญญกรรมแปลงเพศมาแล้วถ้าวันหนึ่งอยากจะบวชเป็นแม่ชีหรือบวชตลอดชีวิตสามารถทำได้หรือไม่เจ้าคะและจะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็มันพูดยากเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนกันนะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ไม่รู้ถ้าเป็นเพศชายก็บวชพระอช่ไหมถ้าเป็นเพศหญิงก็บวชชีทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนกันนะ เขากลัวว่าเดี๋ยวไปอยู่กับเพศที่เกิดมีความถูกใจกันเช่นเป็นใจเป็นหญิงแต่ร่างกายเป็นชายไปไปอยู่กับผู้ชายเดี๋ยวมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าใจเป็นผู้ชายแล้วไปอยู่กับผู้หญิงมันเดี๋ยวมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันยาก พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าไปไปปฏิบัติไปอยู่คนเดียวดีกว่าอย่าเพราะมันไปอยู่กับกลุ่มเขาแล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ท่านเลยไม่ให้บวชมั้งพวกกระเทยนี้ท่านไม่ให้บวชนะหลายก็มีบวชถ้าเป็นกระเทยซ่อนเล็บเข้าใจไหมก็มีเยอะแยะเนี่น <c oughs> <c oughs> ยนี้ยในผ้าเหลืองที่เป็นพวกซ่อนเล็บคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นกระเทยแต่กิริยาการมันก็บอกเป็นป้านี่ยวะหลงป้าทั้งนั้นก็หลงป้าน หลวงเจหลวง น, นาแต่ถ้าไม่ไปทําผิดพระวินัยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ว่าอะไรเอเียงแต่ว่าต้องการตัดไฟตัดต้นลมนะพระผู้ชายอยู่ด้วยกันบางทีทําอาบน้ำํำสมัยก่อนท่านไม่มีห้องน้ําท่านก็อาบน้ําด้วยกันบางทีฝนตกท่านก็แก้ผ้าอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดพวกที่ชอบผู้ชายมันเห็นเข้ามันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ เพื่อป้องกันปัญหานี้ท่านก็นเลยไม่ให้กระเับยบวชมึงไม่ได้รังเกียจเพียงแต่ว่ามันมันเข้ากับสภาพของของสังคมนั้นไม่ได้คํำถามจากคุณวีระวันค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าฟังธรรมทุกวันเป็นการเสริมวิตามินภาษาอังกฤษนี่วิตามินอะไรเจ้าค ะ, ะวิตามินก็ภาษาอังกฤษอยู่ยแล้ว เป็นวิตามิน A B C D เนี่ยแล้วเขาจะขายก็มัลีวิตามินซ์วิตามินรวมแม่ยังโง่อยก็คาถามจากคุณอู๋ค่ะธรรมโอสถเนี่ยธรรมเป็นยาอเป็นวิตามินทุกชนิดเนี่ยอเป็นยาทุกชนิดรักษาโรคใจได้ทุกชนิดเนี่ยโรคเครียดโรคห่วงโรคห่วงโรควิตกโรค ก, กังวลเนี่ยรักษาได้หมดอื คำถามจากคุณอู๋ค่ะการที่เราเห็นคนไม่ดีได้รับผลแห่งกรรมแล้วเรารู้สึกสะใจแปลว่าเราขาดเมตตาใช่ไหมเจ้าคะเราควรจะวางอุเบกขาแทนใช่ไหมคะก็ท่านจะบอกว่าให้ดูว่าเป็นกรรมของเขาไปจะไปอะไรไปยินดีนกับเขาก็ไม่ถูกจะยินร้ายเวลาเขาได้รับผลบุญก็ไม่ถูก เราต้องเฉยดูเฉยๆให้รับรู้เฉยๆไปดีที่สุดไม่อย่าไปมีอคติอย่าไปรักอย่าไปชังคําถามจากคุณชนะตนถ้าโยมอยากขอขมาครูบาอาจารย์เพราะไม่รู้ว่าเผลอสติไปปรามาท่านบ้างหรือเปล่าก็ให้ขอขมาในใจแล้วตั้งใจปฏบิบัติบูชาไปเรื่อยๆได้ไหมคะเพราะบางคนถ้าไม่ขอขมาก็จะรู้สึกติดอยู่ในใจเจ้าคะ่ะ ก็เรายังไม่รู้ว่าเราไปทําผิดเราจะไปขอกรรมมาได้ยังไงมันต้องรู้ก่อนเลยฮะพังเผอก็ไม่เป็นไรมก็ไม่เป็นไรพังเผอก็พังเผอไปงั้นก็บ้าไปขออนุโมขอขอขอเข้ามากันอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็พังเผอเดี๋ยวก็พังเผยขอให้ถ้ารู้ว่าพังเผอก็พยายามระมัดระวังให้เต็มที่ก็แล้วกันขอให้เราทําส่วนของเราให้ดีที่สุดก็จบ ไม่ต้องไปขอขมงขมาให้เสียเวลาท่านก็ไม่ต้องมานั่งมารอรับเขาขมาจากเราท่านก็ไม่ได้กังวลกับเราอยู่แล้วท่านจะทำผิดทำถูกท่านก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ทุชนเมือนว่ายตะมันเกิดมาแล้วมันก็อย่างนมลุกคุกคานอยู่พวกไม่มีสติสมบูรณ์มันก็มีโอกาสผิดพลาดได้ท่านก็ไม่ได้ถือสาอยู่แล้วไม่ต้องไปไปอะไรนอกจากว่าไปทาจริงๆแล้วก็ อย่างเทวทั์เนี่ยทำแล้วก็ทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถึงกับรู้สึกว่าไม่สบายใจมากก็ต้องไปขอเข้ามาอันนี้ก็ถ้ารู้ว่าทำผิดจริงๆแล้วก็รู้ทั้งสองฝ่ายท่านก็รู้เราก็รู้อันนี้ควรจะไปขอเข้ามาแต่ถ้าว่าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยช้ามาขอเข้ามากันอยู่เรื่อยบางคนไม่เคยรู้จักกันเห็นหน้ากันก็นกมาขอเข้ามาแนละ้ว อ, อปามากก็หยุดมันสิถ้ารู้ว่าปามากก็หยุดมันเท่านั้นเองถ้ารู้ทําอะไรผิดก็หยุดมันถ้ายังไม่ได้ออกมาทางกายทางวาจา ก, ก็ไม่ต้องไปขอเข้ามาคําถามจากคุณสรรโภคการทําบุญให้บรรพบุรุษนั้นจําเป็นไหมครับว่าต้องทําที่วัดที่เราชาปณะกิจศพบรรพบุรุษนั้นๆเพราะส่วนใหญ่ทางบ้านผมจะมีความเชื่อแบบนี้และขอ กราบขอความกระจ่างครับการทําบุญให้บรรพบรุรณ์นี้คำ ว, ว่าจําเป็นไม่จําเป็นนี้มันไม่จําเป็นหรอกมันอยู่ที่เราอยากจะทําหรือไม่อยากจะทำํำพอเราหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับได้รับเขาอยู่ในที่เขารอรับเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ออถ้าเขารอรับอยู่เขามาเข้าฝันว่าช่วยทําบุญให้หน่อยนะกําลังขาดเสื้อผ้าขาดกระเป๋าขาดรองเท้าอย่างนี้เราก็ควรจะทำํำถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเราก็ ทำตอบแทนไปแล้วการทำบุญนี่ก็ไม่ต้องไปทำที่วัดเขาเขาเก็บกระดูกไม่ว่วัดที่เขาเผาหรอกทำที่ไหนเราทำที่ใจเราบุญทำที่ใจเราเกิดที่ใจเราส่งไปให้เขาด้วยใจของเราไม่ได้อยู่ที่สถานที่งนั้นทาทาบุญที่ไหนก็ได้คำถามจากคุณพีภูจังได้ยินคำถามเรื่องเดินปัญญา แล้วเกิดความสงสัยว่าคืออะไรเดิมยมเข้าใจว่าปัญญาเกิดจากการศึกษาคำสอนต่างๆให้เข้าใจส่วนสติที่เราฝึกฝนเพื่อให้มีความสามารถดึงปัญญามาใช้ได้ทันการก็ใช่ก็เพียงแต่ว่าบางทีศึกษาแล้วมันลืมฟังผลเดียวแล้วมันลืมก็เลยต้องมาทาการบ้านเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆพระเจ้าบอกว่า ให้เราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนึงเนื่องเพราะเรามักจะลืมกันใช่ไหมพออยากจะสวยอยากจะไม่แก่ก็ลืมแล้วว่าต้องแก่พออยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสดงว่าลืมแล้วว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพออยากไม่ตายก็แสดงว่าเราลืมนะถ้าเราไม่ลืมเราจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเรารู้ว่าเราหนีมันไม่ได้มันต้องแก่จะต้องเจ็บต้องตายกัน แต่เราลืมกันพอใครแก่พอใครเจ็บขึ้นมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งไหมใช่ไหมโอ้ยคนนี้ไม่สบายเห็นไหมเป็นข่าวขึ้นมาเลยพอเราลืมไป ว, ว่าเขาเรื่องน้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องความเจ็บไข้ได้ปวดเป็นด้วยกันทุกคนแก่ด้วยกันทุกคนตายด้วยกันทุกคนแต่เราไม่คิดถึงมันเลยกลายเป็นเรื่องแปลกไป พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเห็นเรื่องเหล่านี้ว่ามั น, ปนแปลกต้องให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอมันธรรมดาแล้วเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่ไปทุกข์กับมันเข้าจใจหรือเปล่าอย่างการฟังขนเดียวเดี๋ยวมันลืมก็เลยลงมาพิจารณาปัญญามันมีสามขั้นในการขั้นแรกก็ศึกษาเรียนจากผู้อื่นเรียกว่าสุตตมยะปัญญา ตอเรียนแล้วก็เอามาทำการบ้านเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเรียกว่ากินตามย่าปัญญาเพื่อไม่ให้ลืมแต่ปัญญาทั้งสองอันนี้ยังไปทำใจให้สงบไม่ได้ทำใจให้หายทุกข์ไม่ได้ขาดยังขาดสติอยู่ยังขาดอุเบกขาอยู่ก็ต้องไปฝึกสติทำสมาธิให้จิตเป็นอุเบกขาแล้วก็พอมีความทุกข์ก็เอาปัญญากับอุเบกขานี่มาหยุดความทุกข์ได้คาถามที่สองค่ะ การไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ละสังขารในช่วงที่ทําบุญร้อยวันถือเป็นความกระตันยูที่จําเป็นหรือไม่เจ้าคะเพราะต้องเดินทางใช้เวลาเต็มวันบินไปแล้วก็บินกลับค่ะคือคําว่ากระตันยูมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นมันอยู่ที่จิตสํานึกของเราถ้ามันจําเป็นก็จําเปน็นไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นแต่ความกระตันยูมันเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนดีพอเรา จะดีไม่ดีเขาจะดูความกระตันอยู่ถ้าเป็นคนไม่มีความกระตันอยู่ก็ไม่มีใครอยากจะสนับสนุนใช่ไหมการสนับสนุนคนอักตันอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นเขาก็จะไม่สนับสนุนเราถ้าเราถ้าเราอยากจะเป็นให้มีคนสนับสนุนเพราะเราอยู่ในโลกที่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องช่วยเหลือกันอย่งั้นถ้าเขาช่วยเหลือเราเราก็ต้องมีความกระตันอยู่กับเขา เวลาเขาเดือดร้อนเราก็ต้องตอบแทนเขาเวลาเขาตายเราก็ควรที่จะไปคารวะศพเขาเราจะมาอ้างว่าโอ้ยอยู่ไกลเหลือเกินอลาบากที่เวลาต้องการเงินเขาอยู่ไกลที่ไหนทาไมไปได้วะใช่ไหมพอมเวลาต้องใจไปจ่ายหนี้หรือไกลแค่ไหนก็ใกล้แค่ไหนก็ว่าไกลนะคําทางจากคุณปล่อยวางอดีตใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบนัน การทำโรงทานกับผู้ปฏิบัติถือศีลพรามณีพรามนโนจำนวนมากกับการใส่บาตรพระองค์หนึ่งจะมีอนิสงส์หนบุญที่ได้รับแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเจ้าคะหรือว่าอยู่ที่จิตใจขณะที่ละความอยากออกไปได้คิดแบบนี้ถูกต้องมคอยู่ที่เราทำมากทำน้อยไม่ได้อยู่ที่คนรับอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจเราสละมากสละน้อยสละมากก็หยุดความอยากได้มาก สล่ะน้อยก็ยุดความอยากได้น้อยเช่นอะอาจจะแบ่งว่าเอาเอาเครึ่งหนึ่งไปทำบุญเนี่ครึ่งไปซื้อกระเป๋าอย่าง <c oughs> นี้หรือว่าอทํามันทั้งร้อยไปเลยไม่ซื้อกระเป๋าแนละ้วอย่างนี้มันอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่คนรับก็ยังคนรับจะเป็นชีเป็นพระหรือจะเป็นหมาเป็นแมวมันไม่เกี่ยวกับบุญของเราอันนั้นเป็นคนรับคําถามจากคุณอภิวัตร อวิชชาทำให้เกิดสังขารคิดปรุง anyway. แต่งสังขารทำให้เกิดความอยากต่างๆออกไปทางวิญญาณทั้งทั้งหกวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปคืออะไรครับฮะวิญญาณทำให้เกิดอะไรวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปคืออะไรครับรูปกับนามรูปก็ร่างกายนามก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คำถามจากคุณนิพนธ์ค่ะการบริกรรมโดยใช้คำนับการนับคำว่าพุทธโทหนึ่งพุทธโทสองพุทธโทสามไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งรอแล้วนับกลับหลังนับขึ้นนับลงแบบนี้ถามว่าฐานของจิตมันอยู่ตรงไหนครับและจำเป็นต้องกำหนดฐานของจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือไม่ในขณะที่บริกรรมแบบ นับพุทโธขึ้นลงครับไม่ต้องกังวลเรื่องฐานของจิตถ้านับพุทโธก็อยู่กับการนับเนอะอย่าไปให้มันคิดเรื่องอื่นเท่านั้นเองที่ให้นับที่ให้พุทโธเพื่อให้หยุดความคิดถ้าจิตหยุดคิดมันก็จะกลับไปอยู่ที่ฐานของมันโดยอัตโนมัติคือความสงบความสงบ ค, ค, คือฐานเวลาคิดมันจะออกจากฐานมันจะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราหยุดคิดมันก็จะดึงจิตกลับเข้าฐานอย่างที่เราใช้พุทโธ ใช้การนับนี่เพื่อหยุดความคิดพอหยุดความคิดมันก็จะกลับเข้าฐานของมันโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปหาฐานหาไม่เจอหรอกหาหาฐานด้วยความคิดหาไม่เจอยิ่งคิดมันก็ยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งห่างจากฐานเพราะอย่างน้เพราะความคิดเป็นตัวที่ดึงจิตให้ออกจากฐานถ้าอยากจะให้กลับเข้าไปในฐานต้องหยุดคิด <Come on. S 1> เดี๋ยวก่อนถ้าจะจะเพิ่มพูดถ้าพูดต้องพูดไป เราจะพูดจะถามก็เดี๋ยวไปถามเลยอ่ะถามต่อไปคาถามจากคุณบุญญาเวลานั่งสมาธิถ้าข้างในมันโล่งว่างแล้วมีสติพุทโธแล้วดูลมหายใจแล้วทำอย่างไรต่อคะก็ทำต่อไปเลยดูลมต่อไปพุทโธต่อไปจนกว่ามันจะวุบนิ่งสงบ พ, พุทโธหยุดลมหายใจหยุดะคะเธอไม่ได้ดู ไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุโทโธจิตนิ่งสงบมีความสุขเป็นอุเบกขาก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ดูต่อไปพุโทโธต่อไปหมดแล้วเลยยังค่ะออคำถามจากคุณสุวิมลไม่อยากเข้าสังคมผิดปกติหรือไม่เจ้าคะภาวนาได้เป็นปกติเจ้าค่ะคือความไม่อยากนี่มันเป็นได้สองอย่างถ้าเป็นวิภาวตันหาก็ยังเป็นกิเลสอยู่แต่ถ้า ความไม่มีความอยากนี่มันมันไม่ได้เป็นกิเลสคือมันมันคว่าไม่อยากนี่มันมีสองความหมายไม่อยากก็คือไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากก็ดีไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากอะไรกับใครทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ต้องเข้าสังคมก็เข้าได้ถ้าไม่ต้องเข้าสังคมก็ไม่เข้าอันนี้เรียกว่าไม่มีความอยากคนที่รังเกียสังคมไม่อยากเข้าสังคมนี่ก็แสดงว่ายังมีความอยาก ความอยากไม่เข้าสังคมก็เป็นความอยากอยกู่ยังต้องรู้จักแยกแยะ ว, ว่ามันเป็นอะไรกันแน่คำว่ามไม่อยากถ้าไม่อยากเพราะว่าไม่มีความอยากคืออยากไม่มีความอยากอยู่ตรงไหนก็มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความอยากแต่จะให้ไปพบกับคนนั้นก็ไปได้ให้ไปพบกับคนนี้ก็ไปได้อย่างนี้ไม่ได้ไปด้วยความอยากไปเพราะมีเหตุมีผลให้ไปก็ไปได้ очему. แต่ถ้าไม่อยากจะไปหาคนนี้เพราะไม่ชอบที่หน้าเขาี อันนี้เป็นกิเลสละเป็นเป็นตันหาความอยากไม่ไปเจอเขาถ้าต้องถึงเวลาต้องเจอเขาก็ไปสิก็ถึงเวลาไปก็ไปอย่างนี้ไม่เป็นไม่มีความอยากไปหรือไม่มีความอยากไม่ไปไปด้วยความด้วยด้วยเหตุด้วยผลคํำถามจากคุณพานุวัตรผมมันฟังธรรมจากพระอาจารย์ประจําครับผมแต่งงานแล้วแฟนอยากมีลูกมากทั้งพ่อแม่ผมและพ่อแม่แฟนแต่ในใจลึกๆผมคิดว่า มีลูกก็เพิ่มภาระบ่วงผูกคอทุกก็เพิ่มมีหนึ่งก็ทุกหนึ่งมีหลายก็ทุกหลายจะอธิบายให้ครอบครัวฟังก็กลัวเขาโกรธเพราะเขาคงไม่เข้าใจผมอยากเรียนถามครับว่าผมควรจะมีทัศนคติกับเรื่องนี้อย่างไรครับคุณก็มีอยู่แล้วเนี่ยยังมาถามทำไะก็คนมีอยู่แล้วทัศนคติของคุณค่ะคำถามจากคุณ มีเวลามีญาติโยมประวารณาถวายเงิน ใ, ให้วัดเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดในกรณีที่ยังเช่าแต่ทางวัดนําไปใช้อย่างอื่นก่อนบาปไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ตกลงกันไว้ว่าจะให้เอาไปใช้อย่างไงถ้าตกลงกันว่าให้ไปใช้กิจกรรมของวัดแล้วไปเปิดลงมโหฬารศพอย่างนี้มันก็ผิดสัญญาก็เรียกว่า เสียสัจจะก็แล้วกันไม่มีสัจจะก็ไม่มีศีลไม่มีสั จ, จก็บาปนคะคำถามฝากถามค่ะถ้าเราพบของตกอยู่แล้วเอาไปใช้ด้วยความไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเราควรทำยังไงกับของที่เก็บมาแล้วควรเอาไปบริจาคหรือให้คนอื่นแทนาไไบาปี่เด ล, <ๆ>ลงไหมคะเอาไปไว้ที่เดิมอีกคาถามค่ะ การทําบุญไปวัดปิดทองและทําสังฆทานบ่อยๆแต่ไม่เคยได้ถือศีลแปดไม่เคยนั่งสมาธิเลยจะได้บุญน้อยกว่าผู้ถือศีลแปดหรือเปล่าเจ้าคะก็บุญมันเหมือนธนบัตรไงมันมีธนบัตรใบเดียวกันเนี่ยเป็นกระดาษ เ, เ, เหมือนกันเน่ยแต่มีตัวเลขไม่เหมือนกันใช่ไหมธนบัตรใบหนึงมีเลขยี่สิบอีกใบหนึ่งมีห้าสิบอีกใบมีร้อยอันนี้บุญก็เหมือนกันบุญมีหลายหลาย หลายแบบแต่ละแบบก็มีเลขติดไม่เหมือนกันถ้าทำทานก็น้อยกว่ารักษาศีลรักษาศีลก็น้อยก่อนั่งสมาธิเป็นบุญเหมือนกันแต่จำนวนไม่เท่ากันคำถามต่อค่ะเคยชวนน้องให้มาถือศีลแปดบ้างเขาบอกว่าไม่มีเวลาขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วทำไปทาไมแค่ไปทำบุญที่วัดก็พอแล้วแสดงว่า เขายังไม่มีบุญเก่าที่เคยได้เห็นทำมาใช่ไหมคะก็ไม่แน่นอนหรอกบางทีก็เห็นแต่เขาไม่อยากจะทำก็ได้อีกคำถามค่ะเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วนำเงินใส่ไว้ในกระป๋องบุญเกิดขึ้นหรือยังคะถ้าเราไม่ไปแตะถือว่าไม่เป็นเงินของเราแล้วมันก็ดูที่ใจเราละใจเรามีความสุขหรือยัง ถ้ายังไม่มีความสุขก็ยังอาจจะไม่เกิดมันเพราะมันเป็นการเตรียมการอยู่เตรียมการที่ยามเงินนี้ไปทำบุญอยู่ย้วมันจะเกิดขึ้นมาจริงๆต้องให้เงินนี้มันกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วไม่ได้กลายไม่ได้เป็นของเราแล้วถึงจะเกิดขึ้นอ ย, อย่างแท้จริงการที่เราเตรียม เ, เงินใส่บาตรทุกวันทุกวันนี้ก็เป็นการเตรียมการที่จะเอาไปทำบุญเราจะถามก็ไปพูดแล้วก็เกก็ตายก่นแล้วเนาะ ก็ไม่ได้บุญนะเนี้ยก็ไม่ได้บุญแค่ น, นั้ น, น่หะก็ถามแค่ น, นี้พอแล้วชอบแทรกก็มาเรื่อยนนคําถามจากคุณฟ <Club> ิช c ลับเหตุใดวันที่พิจารณากายโดยไล่ดูตามอวัยวะตอนออกจากพิจารณาจะเหมือนสติสงบดีแต่พอกลางคืน กลับฝันถึงกรรมที่เคยทําไว้แล้วเลิกทําตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแต่ในขณะฝันอยู่รู้ตัวและสลดในกรรมนั้นก็พราะกรรมที่เราทํามันมีกําลังมากกว่าการพิจารณาของเราในปัจจุบันดันงนั้นอันไนมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะโผล่ออกมาเหมือนเหมือนเหมือนวัวควายที่อยู่ในคอกเนี่ยเวลาเปิดประตูเนี่ยตัวใหญ่กว่ามันมีกําลังมากกว่ามันก็จะดันออกมาก่อน คำถามที่สองจากท่านเดิมค่ะทําไมจิตที่ดูสงบจากการพิจารณากายนั้นกลับไปฟุ้งซ่านในความฝันจะแก้ไขอย่างไรดีครับ เ, ออเวลาฝันแก้ไม่ได้ไงเวลาฝันเป็นเวลารับผลบุญผลบาปแสดงว่าเวลาเราหลับนี่สติที่เราสร้างมามันไม่มีอิทธิพลต่อความฝันของเราเลย นอกจากถ้าเรามีสติดีๆมันมสามารถทำให้หยุดความฝันต่างๆได้ต่นอนหลับจะไม่ฝันเลยก็ได้คำถามที่สามจากท่านเดิมมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนว่าให้ทิ้งสมาธิไปก่อนให้พิจารณาให้ตัวเองเป็นซากศพทุกขณะจิตถ้าลักษณะนี้ถูกลักษณะนี้ถูกต้องหรือไม่ครับปกติจะพิจารณาเมื่อรู้สึก ว่ามีสมาธิจริงๆก็มันก็เฉียงกันไปเหมือนไก่กับไข่เนี่ยไก่ออกก่อนไข่หรือไข่ออกก่อนไก่ก็ไม่รู้แหละเพราะว่ามันก็ขอให้มันฆ่ากิเลสได้ก็แล้วกันอย่างนี้ดีกว่าถ้าดับความทุกข์ได้วิธีไหนก็ได้ทั้ ง, งขี้เกียจมาถกเฉียงกันให้เหนื่อยเบาๆเพราะมันทั้งสองฝ่ายก็มีข้อยืนยันกัน ฝ่ายที่ว่าสมาธิต้องมาก่อนปัญญาก็มีพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าศีลที่อบรมสมาธิที่ได้รับการอบรมด้วยศีลเนี่ยจะมีพลานุภาพมากปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้อบรมก็จะมีพานุภาพมากจิตที่มีปัญญาอบรมก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านแสดงเป็นขั้นว่าต้องมีศีลก่อนเพื่อจะได้มาอบรมให้เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วก็จะได้ใช้สมาธินี้มาสนับสนุนปัญญาให้ให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจอันนี้เป็นขั้นขั้นตอนที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทำศีลก่อนแล้วก็นักษาสมาธิฝึกสมาธิแล้วก็ไปพางปัญญา น, นี่ก็บางท่านก็มีบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ถูกเหมือนกันเวลาจิตฟุง้งจิตเครียดไม่สงบใช้ปัญญา มันก็ทําให้หายฟุง้งหายเคยรียดได้นี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะว่าใครผิดใครถูกคําถามจากคุณรักสุขภาพขณะหนูเดินจงกรมในขณะหนึ่งหนูมีความรู้สึกถึงกายเดินจิตนี้เห็นร่างกายเดินขณะจิตนั้นแค่ชั่วขณะก็รู้สึกว่าหนูหลงหาร่างกายนี้มาตลอดขณะนั้นจิตเบาลง รู้สึกเป็นสุขขณะหนึ่งแต่ทราบว่ายังไม่ชัดเจนคราวต่อมายังต้องใช้การพิจารณาอยู่แต่รู้สึกว่าได้เห็นความจริงมากขึ้นขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ ะ, ะคุณปฏิบัติยังไงได้ผลยังไงก็ปฏิบัติไปเลยเราชชี้แนะเราก็บอกให้มาพโทธโทมันก็ไปคนละทางกันนะ เพราะทางที่ทํานี้เราไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ควบคุมจิตได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าใช้สติใช้พุโทโธนี่มันควบคุมได้แ น, น่ๆมีใครส่งข้อความรายงานเรื่องบ้บานอาเภอช่องแปดหรือยังยังครับไม่มีใครเลยไหมไม่มีใครเปิดดูนะใครมีเคเบิลที่บ้านอําเภอลองเปิดดูนะช่องแปด คำถามจาก Youtube คำถามจากคุณจรจังพระอนาคามีกรรมจะให้ผลแต่ทางใจไหมคะและให้อย่างไรคะเพราะไม่มีกายแล้วไม่รู้เหมือนกันกรรมมันไม่ได้ส่งผลทางกายอยู่แล้วมันส่งผลทางใจอย่างเดียวส่งให้เกิดให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นบุญก็ส่งให้ใจมีความสุขถ้าเป็นบาปก็ส่งให้ใจมีความทุกข์ ส่วนถ้ามีร่างกายมันก็จะเป็นเป้าของการทำให้เกิดความทุกข์ใจเจนแม้จะเป็นผ้าอรหันเรายังมีร่างกายอยู่ก็ยังถูกคนเขาฆ่าได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นผ้าอรหันกรรมทางใจก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะผ้าอรหันท่านไม่ทุกข์กับความตายอยู่แล้วแม้แต่ผ้าโสดามันท่านก็ไม่ทุกข์กับความตายอยู่แล้วเวลาตายเน้น มันก็ไม่มีผลกระทบต่อทางใจของพระอริยเจ้าพรริยเจ้าทุกองนี้ไม่ว่ามีอะไรมากระทบกับร่างกายจะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะท่านปล่อยวางร่างกายได้แล้วคำถามจากคุณประหยัดทางเดินจงกรมควรจะยาวเท่าไหร่หรือควรกำหนดให้ยาวเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความเหมาะสมของเรา มาตรฐานก็ทัางบอกประมาณยี่สิบถึงยี่บห้าเก้าแต่บางคนก็ยาวกว่านั้นสี่สิบก็ได้บางคนก็สั้นกว่านั้นเพราะสถานที่มันแคบมันยาวไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่และคนจะเอาไปพิจารณากันโดยมาตรฐานก็ยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าเก้าสั้นกว่านั้นก็ได้ยาวกว่านั้นก็ได้กลับมาคำถามที่เฟซบุ๊ k ค่ะ พ้ลูกโมโหแล้วเก็บอารมณ์ได้ทันทีแสดงว่าเรามีสติใช่ไหมเจ้าคะปกติเวลามโหแล้วจะแสดงอาการออกมาเลยค่ะแต่ตอนนี้มันเก็บซ่อนอารมณ์ได้แสดงว่าสติทันแต่ยังไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะไม่เกิดเลยเพราะเราเกิดอารมณ์ก็เพราะว่าเราไปหลงกับสิ่งที่เราเห็นพอเราหลงเราก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นรักชังขึ้นมา แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็จะไม่ไปรักไปชังมันเราก็จะเฉยกับมันไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับมันเราก็จะเฉยอันนี้แม้ไม่มีสติแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกมันตื่นเต้นตกจใจปล่อยมันเถิดคาถามจากคุณปรีชาครับ ทำไมร่างกายเวลาทําใจให้ยินในกามอยู่แต่ร่างกายมันโดนของมันเองทั้งที่ผมดูใจอยู่ว่าไม่ได้คิดอะไรเลยครับให้เข้าใจความหมายว่าทำไมร่างกายเวลาทําใจให้มีมีความยินดีในกลามอยู่แต่ร่างกายมันโดน ของมันเองมันอะไรนะพยายามจะระงับกายแต่ร่างกายประด وك มันเองค่ะพระอาจารย์ก็แสดงว่าเลึกๆมันยังมีอยู่ไงมันยังคิดถึงมันอยู่เพียงแต่ว่าเราเราไปว่ามันไม่มีเพราะถ้าใจมันไม่มันไม่มีมันมันร่างกายมันจะเกิดไม่ได้ร่างกายมันผลมันผลจากจากจากความคิดของใจใจต้องคิดก่อนใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ฉะนั้นเราจะไปว่ามันไม่ไม่เกิดไม่มันใจไม่มีไม่ได้หรอกถ้าไม่มีร่างกายมันก็ต้องก็ต้องไม่มีอาการอะไรต่างๆไม่มีแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะเวลาก็หมดพอดีอาจจะเสริมไหมเสริมก็ไม่ถึงเวลาได้คำถามนะถึงแล้วนี่ไม่ยอมก็มันผ่านไปแล้วพราจารย์